งั้นยอมเล่าต่อยอมเล่าต่อเพื่อให้ดูว่าเล่าเรื่องนี้นะเพื่อให้ดูเรื่องสัญญาเรื่องสัญญานะมีนักเขียนคนหนึ่งเป็นนักเขียนระดับอาจารย์ ม, มีสำนวนที่เป็นที่ติดใจของคนอ่านความมีสำนวนของเขาเนี่ยทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะ พอเขาเอาอยุมากขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ไปคอยดูแลรับใช้ดูแลรับใช้ก็คือว่าคอยไปดูเวลาเขาเดินไปเดินมาเผื่อหกลม้มคนระดับครูอาจารย์เนี่ยนะก็คนคน ก, ก็จะไปตามดูแลอย่างเงี้ยผัดผัดเปลี่ยนเวรกันไปผัดเปลี่ยนเวนกันไ ป, เ, ป, น เ, นนไปเพราะว่าลูกศิษย์มีเยอะ การไปดูแลก็ไม่ต้องไปดูแลทีละหลายหลายคนบางครั้งก็ไปสองคนบางก็ไปคนเดียวครั้งหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์ใหม่ไปดูแลอาจารย์ที่เป็นกวีคนนี้เป็นนักเขียนคนนี้อาจารย์คนนี้เนี่ยมีฝีมือทางด้านทําอาหารด้วยมีฝีมือทางด้านทําอาหารอาจารย์เห็นลูกศิษย์ใหม่ก็บอกว่าอาเดี๋ยววันนี้ฉันจะเลี้ยงอาหารเธอมาแต่เชา้าเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงอาหารเชา้าทําอาหาร ลูกศิษย์ก็นั่งอรอลูกศิษย์ ด, ดีมากเลยนั่งรอไม่ไปช่วยทำนั่งรอแล้วก็อาจารย์ก็ยกอาหารมาปรากฏว่าเขาสังเกตว่าจานเนี่ยไม่สะอาดจานข้าวเนี่ยไม่สะอาดก็เลยถามอาจารย์ครับจานจานเนี่ยสะอาดได้หรอครับอาจารย์ก็ตอบว่า ม, มันก็สะอาดเท่าที่น้าใสจะทำได้นั่นแหละ ลูกศิษย์ก็โอ้โหสํานวนอาจารย์นี่ดีมากเลยซึ้งมากเลยเ อ, อ, อาจารย์เนี่ยล้างแล้วล้างแล้วแต่ว่ามันทําได้แค่นี้คืออาจารย์ทําได้แค่นี้แต่ไม่ยอมคิดต่อไปว่าเดี๋ยวฉันจะล้างให้นะลูกศิษย์ก็เหลืออดเหลือทนจริงจะมาเรียนแค่เฉพาะเรื่องสํานวนแต่คอยเก็บสํานวนพอเข้ามาเรียนกับกวีหมายใจว่าจะเอาความรู้ด้านการเขียน จึงเก็บสํานวนอย่างเดียวมุ่งเก็บสํานวนจดเลยจะใส่ไดอารี่อ๋อจำนวนนี้จดเอาไว้มื้อกลาวันเอาอีกคราวนี้ทำก๋วยเตี๋ยวอาจารย์ทำก๋วยเตีย๋ยก๋วยเตี๋ยอยกมาเสิร์ฟเสร็จแบบเดิมชามก๋วยเตี๋ยวมีคราบเอ๊ะอาจารย์ครับชามก๋วยเตี๋ยเนี่ยสะอาดได้หรอครับฮึคิดมากนะมันก็สะอาดเท่าที่น้ำใสจะทําได้นั่นแหละ โหอีกแล้วโดนอีกดอกแล้วแต่ก็โหอาจารย์นี่สำนวนดีก็จริงนะแต่รู้สึกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ไหวเดี๋ยวมือเย็นเดี๋ยวมือเย็นจะไม่กินกับอาจารย์ละไม่กินฝีมืออาจารย์ละจะยอมลงทุนเลี้ยงอาจารย์เพราะว่าไม่อยากจะกินชามจานที่ส ก, กปรกตัวเองก็มาดูแลจริงๆนะดูจริงๆแล้วก็แลจริงๆไม่ยอมช่วยเหลือทำ ง, งา น, นเลยเลยไม่ยอมช่วยล้างจานด้วยแต่ ทำหน้าที่ของลูกศิษย์คือมาแค่ดูแลและก็คอยจดจำนวนอาจารย์จะมีจำนวนอะไรก็จดจดจดอาจารย์ครับมื้อเย็นผมเลี้ยงเอง mm hmm. พอถึงเวลาจะกินอาหารมื้อเย็นก็อาจารย์ครับเชิญขึ้นรถครับจะถอยรถถอยรถพอจะถอยรถเห็นหมาตัวหนึ่งนอนขวางอยู่เป็นหมาของอาจารย์ตัวเองจะไล่ก็กลัวเพราะว่าไม่คุ้นกับหมากลัวถูกหมากัด ก็เลอาจารย์ครับหมาอาจารย์มันขวางรถอยู่อาจารย์ช่วยไล่มันทีครับอาจารย์ขึ้นรถแล้วก็อ๋อเหรอไหนอ๋อน้ำใสไปเข้าใจไหมน้ำใสไปไปไอรู้สิคนนั้นเกิดสัญญาใหม่สัญญาเดิมน้ำใสของสิทธิคนที่ฟังครั้งแรกกับครั้งที่สองคืออะไร เป็นน้ำก๊อกใช่ไหมโอ้อาจารย์เนี่ยล้างน้ําแล้วน้ําใสทําได้เท่านี้โอ้โหสัมนวนอาจารย์นี่แบบเป็นอะไรเหมือนเป็นสัจธรรมน้ําใสทําได้เท่านี้แต่ที่ไหนได้เป็นหมาถ้าถ้าเราเรียนเรื่องการเจริญสติถ้าเราเรียนเรื่องการเจริญสติเราควรจะรู้ทันความเจ็บใจใช่ไหม รู้ทางความเจ็บใจทําไมสัญญาท่านไม่เอามาอยู่ในสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ี่มีกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วก็จิตตานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน4อย่างถ้าเทียบในขันห้าแล้วนะก็มีรูปก็ดูกายใช่ไหมเวทนาก็มีแล้วใช่ไหมสัญญาสัญญาไม่มีไม่เอา ข้ามาสังขารเลยจิตตาโนภศนาเนี่คือดูสังขารความปรุงแต่งต่างๆส่วนตัวจิตนี่ก็มาดูอยู่แล้วเป็นตัวตัวคอยมาดูคอยมารู้อยู่แล้วสัญญาเป็นไว้ก่อนเพราะอะไรสัญญาหลอกลวงสัญญาหลอกลวงเช่นอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> บอกน้ําใสเราจะนึกถึงน้ํานี่คือหมายรู้น้ําที่เป็นวอเตอร์ใช่ไหมวอเตอร์แต่ที่ไหนได้เป็นดอก อันนี้คนฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยพอพูดถึงน้ําใสใหม่ไม่ถึงไม่นึกถึงน้ําจาก ก, ก, กอกเลยใช่ไหมนึกถึงดอกเลยเลยใช่ไหมนี่สัญญาสัญญาทํางานให้ดูอย่างนี้นะสัญญาไม่เอามาเจริญสติเพราะว่ามันคอยหลอกลวงให้มาดูอาการที่เกิดจากสัญญานั้นเรารับรู้แล้วรู้สึกยังไงเช่นน้ําใสไปแล้วรู้สึกว่า อ้าวนี่กูกินน้ำลายน้ำใสไปแล้วเหรอเนี่ยโกรธรู้ทันความโกรธนีนะหรือดีใจฉันจะเป็นเพื่อนสุ น, นัขดีใจไหมเราทั้งผองเป็นเพื่อนกัน ส, ร, สตตรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนกันสงสัยอะไรไหม เราไ้ทานเราทานให้แล้วนะสัญญามันเป็นอย่างนี้นะสัญญาเป็นอย่างี้มันมันจึงไม่ต้องไปดูสัญญาดูผลที่สืบเนื่องมาจากสัญญาว่ามันเกิดอะไรขึ้นจิตเกิดกุศลรู้ทันกุศลที่เกิดขึ้นกุศลไม่เคยเกิดหรอกอย่างที่บอกแล้วว่าโอ้ดีจังเชจนได้เป็นอะไรญาติสนิทกับเจ้าน้ำใสหรือสือบเชื้อสายต่อไปเหมือนกระสืออะไร มัจะเกิดความโกรธมัจะเกิดความอาย ร, รู้ทันความอายรู้สึกรู้สึกถึงการเสียหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะรู้ทันอาการที่ติดตามมาจากสัญญาแปลความหมายนั้นแล้ว